بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولعدوانا ع ل ى الظالمين وصلي وسلم على, على شرف الأولين والأخرين نبينا محمد و ع, و و ع ل ى ع ل ه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م د ي ن ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อ ي ه ا ห์ห้าสิบเจ็ดนะครับยังเป็น อาะที่ผมมองว่ามันเป็นหัวกะทิของสุรยุนัสอเลมารีบอกว่าแต่ละสุราเนี้ก็จะมีบางอายะที่มีความสําคัญของมันบางสุราที่ท่านบีจะระบุอเล ว่าไงใดที่เป็นหัวกะทิของสุรนั้นๆเช่นท่านนับีได้ให้ความสาคัญกับสุร์อัลเบคะร์สุร์อัลเบคะร์กับสุรัลเราะห์มูฮัมหัดมีความสาคัญในฐานะที่เป็น ผู้ช่วยสำคัญให้ผู้ศรัทธานในดุนยาละคือรอในดุนยานี้เนื่องจากว่าสองสุรานี้หลักการสาคัญที่สุดในคุ ร, รานี่อยู่ในสองสุรานี่รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบห้ารออายะบักราสองรอยแปดสิบหั280อาะแลอิมรนันสองรอายะรวมทั้งหมดนี้เกือบ 500. ้าร้อยุรานทั้งหมดเนี่ย 6,000 นกว่าอ่ะหกพันิดนิดแสดงว่าบะคอร์กาอะไรมรอนอีกกี่เปอร์เซ็นต์เยอะนะเทียบแล้วหลัการหรือกฏอักามกฎกฎหมายต่างๆที่สำคัญสำหรับมุสลิมอยู่ใน2องสุรานี้นี่คือความสำคัญของ2องสุรานี้ในดุนยาสำหรับ อาครานีสองสุรานีที่จะเป็นผู้ช่วยตัวช่วยผู้ศรัทธาในวันเกียรมะก่อนนี้จะเข้าสวรรค์พระวิกริตที่โหดเหี้ยมที่สุดที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับมนุษย์ในวันเกียรมะนี่คือการที่ยืนรอยือนรอ เวลาที่อเล็กจะเริ่มเริ่มการสอบสวนแค่รอการสอบสวนนี่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดแล้วถึงขนาดที่คือรอกันเป็นหมื่นปีนะถึงขนาดที่มนุษย์ทั้งหลายนี่ก็จะไปขอชฟ้าจากบรรดานบีละประสูติช่วยช่วย ทูลอ so really ัลล์น่อยให้เริ่มเถอะให้เริ่มเริ่มสอบสวนเราจะได้เราจะได้ยุติการทรมานเนี่ยที่เรากาลังประสบอยู่ไม่มีนบีใดๆกล้าที่จะทูลอัลลอ์นอกจากท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิซลแสดงว่าหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่เราจะเริ่มสอบสวนจนถึงวันที่วันเวลาที่ใครจะเข้านรกหรือจะเข้าสวรรค์เนี่ยช่วงก่อนสอบสวนนี่คือวิกฤตที่สุด l a y e ที่สุดของวันนั้นเนี่ยก็คือความร้อนความร้อนระอุของวันเกียม์าเนื่งจากว่าคนเยอะดวงอาทิตย์ก็ใกล้ศีสะแล้วก็ความกลัวทั้งกลัวทั้งร้อนทั้งกังวลกันทั้งแต่นนบี่ว่าว่ามีสองสุรเนี่ ที่ะมาเสมือนเป็นเมฆไม่ใช่เสมือนประมาณเน่ยเป็นเมฆต่ที่อัลบาคาระตัวอานออิมรานะเคนะหูมาห์มะตานีอูหยาเยตานีมันจะอ่บุคคลใมุสลิมบาคาระะอิมรานีจะมาเสมือนเป็นเมฆสองก้อนเมฆสองก้อนนี่มามาคลุมมาช่วย บังความร้อนสําหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสองสุรานี้ท่องจําศึกษาเรียนรู้และความสําคัญของสองสุรานี้ในถึงขนาดที่สหบอกว่าพวกเรานี่ถ้าใครท่องจํำสุรัตน์บกกรรแล้วเนี่ยเรียนรู้บกกรรจบแล้วเนี่ยเพราะนบีมีหลักสูตรเนี่ยเรียนทีละสิบอายะทีละสิบอายะถ้าเรียนจบแล้วนี่ยบกกรรนี่นี่เขาจะรู้เนี่ย เป็นเป็นเป็นที่รู้กันอันนี้เขาเรียนกูอ่านจนจบไปละสุรานี้จบไปละสุรานี่ถ้าจบสุรัสอัลบากรานี่ ص ح ب าว่าคุณนาน้าอุดฮุมในัลกุรอา่ว่าขานี่เป็นเป็นก ا รีกอรียุค صحاب านีม่ช่ قار ีในเหมือนปัจจุบันนะ ا ีปัจจุบันก ا ر ี قار ีละกูนะ قار ีในสมัยนบีละาบ ا ب านี่คืออลม อาลิมพูรูคิดดูสิในแค่สองสุรานี้เนะี่ยมีความสำคัญขญนาดไหนนะแต่นบีบอกว่าอายะตุลกุรซีซั ย, ยิดุอายซียิดะอายิลกุรอานอายะกุรอซีนี่เป็นเจ้านายเป็นหัวหนา้าบรรดาอายะทั้งอายะทั้งหมดในกุษฎาเนี่ยเป็นเป็นเป็นหมืน่นอายะเป็นพันาอายะหกพันกว่าอายะ อายะกรสี่อย่างเดียวนะเป็นหัวหน้าบรรดาย่นี้ทั้งหลายแต่บางสุราหนี้ท่านนบีอาจจะไม่จะระบุความสําคัญของของอายะที่เป็นหัวกะทิแต่อุลามาจะระบุเช่นอุลามาแทบมีเอกฉันว่าสุราอัลฟาติฮานิสุราสาคัญมากใช่ไหมแต่อายะไหนล่ะที่สําคัญที่สุดในสุราอัลฟาติฮ่า ولما نيبوا آيات بنو آه ا ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين م ن م آياتهم ي أهم أ ي م ا ل م أهم أهم أهم أهم أهم أهم أهم أهم أهم أ ه ن أ ن م أ ل م أهم م أهم أ ه ه م أهم أهم أهم أهم أهم م أهم أهم م أهم أهم أهم أهم أ ه ه م أ ه ه م أهم أهم أهم أهم أهم أهم أهم م أهم أهم أهم أهم أ ه ه เมื่อกาอัลฮัมดุลิลลอฮิรับบิลอาลามีนอัลรัฮ์มานอัลรัฮีมาลิกยามิดีนเนี่ยแต่ละปียุกนี Allah จะต้ตอบวันนี้เบาของฉันได้สนรเสริญข่าเบาของข้าเนี่ได้สะดุดีข้าเบาของข้าเนี่ได้ยกย่องข่าจนถึงอียะกันอาบุดุวะอียะกันัสตัยนพระองค์เท่านั้นเราเคารับสการะ และด้วยพระองค์เท่านั้นเราขอความช่วยเหลือยากัน عبد วยยากันอัศจรอัลลอฮฺจะบอกว่าพระองค์เปนีระเจ้าองทุกคนพระองค์ทรงเรัาองคเน้ร่วอกระงเนผ้รงคุ้าคงคนะสิงเนทีง่วยเลือคงขทรงเปน้าขะองค์ทรงเปนผ่้ทงค้คอนะงน้งชอคนพระค่งนผูงกานรงนร เรามีเร we ื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเราอัลลอฮ์ถึงขนาดที่อัลลอฮ์บอกว่าถ้ามาถึงอายานี้แล้วนี่นะเรื่องนี้ระหว่างฉันกับระหว่างฉันกับเบาของฉันไม่ต้องมีใครมายุ่งนะเดี๋ยวฉันจัดการให้หมดเบาของฉันมีขออะไรมานี่ฉันให้หมดเพื่อจะได้ถึงจุดหมายของโซระอัลฟาดิฮานอิฮเดนัลซีราตัลมุสติคีมเราขอทางนำจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบ ปีที่สองปีที่สามเนี่ยด้วยด้วยคําสิญเนจะลาลอัดีะลอัดีนี่นะนให้้านี่ขาจะให้เบาของของข้าและที่เบาของข้านี้ขอมานีฉันจะให้แล้วเราขออะไรขอให้อยู่ในทางนําอินีตมุ่ดนบีลลัลลอฮสุลแลมสอนให้ ص ح ا นี่ได้ พีนิดพิจารณาความหมายกุตัานด้วยตัวเองเพราะนี่คือคําสั่งของอัลลอฮ์คัมภีร์นี้เนี่ยมีความจําเริญประทานลงมายังพวกเขาให้พวกเขาได้พิจารณาลียดเดบบรูเรามีตัวช่วย เรื่องภาษาก็ดีเรื่องผู้รู้ก็ดีตำราต่างๆก็ดีในตัวช่วยแต่ต้องทําหน้าที่พิจารณาในการพิจารณานี้เราอาจจะมีฮ idayah หรือความรู้เฉพาะที่อัลลอฮฺจะให้เราในแต่ละสุร่าในแต่ละอายะซึ่งความหมายนี้ความหมายที่มีความพิเศษนี้ Allah จ, จะให้บางคนอาจจะให้เบาของพระองค์บางคนโดยที่ความหมายนี้อาจจะมีความพิเศษสําหรับคนบางคนความหมายนี้อย่างที่บอกเราไม่สามารถที่จะพิจารณาเองตดัด บ, บรเองด้วยความรู้ส่วนตัวโดยที่ไม่มีตัวช่วย และเป็นเนื้อหาที่ต้องสอดคล้องเนื้อหาที่เราได้พิจารณากันมาเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับหลักการหลักการว่าด้วยภาษาว่าด้วยฮ ادي สว่าด้วยการอธิบายของท่านนาบีเองสุฮามะเองนี่ไม่มใช่ว่าพิจารณาเองแล้วก็อุปโลงความหมายขึ้นมาเองแล้วก็เราก็นี่ไงฉันก็พิจารณาเองเนี่ยไม่ใช่จึงมีความสําคัญในการที่จะให้เห็นว่า แต่สุรนีพวกเราอาจจะเห็นหรืออาจจะพิจารณาได้เห็นว่าบางอายันนี้มีความสําคัญเช่นอายะห้าสเจ็ดนี้ที่ผมอยากให้พี่เนาะห้าบเจ็แล้วก็ผมบอกว่าสองสามอายันนี้นะอายันนี้และาอายะถัดไปเนี่ยจะมีความสําคัญมากแล้วอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเป็น การที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองเดิมๆที่เราเคยมีต่อนุษย์อ่านก็ได้ซึ่งสี่ประเด็นที่ผมบอกกับพี่น้องว่าที่เราจะต้องเจาะจงที่เราจะต้องให้ให้เวลาในการพินิจพิจารณาและไตรตรองให้รอบคอบให้ละเอียดให้ลึกซึ้งมันจะทำให้เราเนี่มีจุดยืนอย่างหนึ่ง ต่อ Al อัลกุรอานที่ผมมองว่ามันควรที่จะเป็นจุดยืนของคนร่วมสมัยในยุคปัจจุบันสิ่งที่ประชาชาติอิสลามนี่ขาดแคลนมากในช่วงนี้นี่คือการที่จะกลับมาให้อัลกุรอานนี่มีบทบาทมีอิทธิพลในชีวิตเหมือนสมัยท่านนาบีลและสหายเพราะเราปฏิเสไม่ได้นี่ประชาชาติอิสลามนี่มีกุรอานไหมมีม เราอ่านคูรอารกันไม่อ่านเราเรียนกุร์อานก็เรียนนี่รอานนี่มีทุกที่เลยที่บ้านก็มีกุรอานรถก็มีกุรอานมือถือก็มีกุรอานมสิดนี่ก็มีคูรอานเยอะแยะไปหมดเลยเราไปโรงเรียนกุรอารนะโรงเรียนสอนคุรอาฮาฟิน่ยมีหมเรียนสอนกูรอารฮาฟิดมีไหมคนหาฟิดกุร์อานก็มีมจัดงานประกวดกุรอาน่มีมนีเยอะแยะไปหมด กุฎีอ่านก็อยู่แค่นี้กุฎอ่านอยู่ที่มัสยิดมีอยู่ในมัสยิดนะกุฎอานมีที่มัสยิดนะมีตามโรงเรียนมีตามห้องโรงแรมหรูๆที่เขาจัดประกุมกันอันนั้นมีมีกุฎอ่านแต่ในธนาคารน่ยไม่มีก um, ุฎอ่านทำเนียบไม่มีกุฎอ่าน้อมตำรวจไม่มีกุฎอ่านศาลตุลาการน่ยไม่มีกุฎอ่านไม่มีเลย และยิ่งเอากุรานเนี่ยไปใช้ในสถ า, สถาบันแบานี้เนี่ยเขาจับทิ้งเลยเฮ้ยทำไม่ได้นี่อัลลอฮ์า ห, าห้ามไปนู่นเลยเนี่ยไปอยู่ตรงนู่นเลยไกลๆเลยเขาไม่คุยเขาไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยมีนามซ้ำบางพื้นที่นี่สถาบันที่ที่ควรแก่การใช้กุรานเะช่นองค์กรมุสลิมสถาบันอิสลามอย่างเช่นมั ส, สยิดเนี่ย คณะกรรมการมัสยิดอย่างเงี้ยอันนี้คณะกรรมการมัสยิดนี่มานั่งประชุมกันอ่จจะทําเรื่องนี้ไอ้เรื่องนี้ทําไม่ได้ผิดกฎหมายไอ้เรื่องนี้ทําไม่ได้ผิดพรบไอ้เรื่องนี้แม่ผิดพรกไอ้นี่ทำไม่ได้มันผิดเทศบัญญัติเรื่องนี้ทําไม่ได้เอ้ระเบียบของอบตอบตแต่พอมาเรื่องที่มันผิดกุรันชัดๆเนี่ยไม่มีใครขัดบอกไอ้เรื่องนี้ผิดหลักการกุราน แล้วบางทีเนี่ยกรรมการมสศนี่จัดเรื่องอะไรที่มันผิดหลักการกุตรายอย่างชัดๆเลยนะงานสุรางานศาสนานี่เนี่หนังตะลุงอะไรต่อเดี๋ยที่เป็นประเด็นเดี๋ยวนี้คัดกับหลักการกุตรานชัดๆแน่นอไม่มีใครจะคารวีทำไม่ได้เอออย่างงี้ทำไม่ได้พูดไม่ได้อ้าวมันเป็นองค์กรหรือเป็นพื้นที่ที่ควรแก่การใช้กุตรานมากที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่กุตราย แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะกุรานี่ไม่ไดีมีไว้ใช่งไงประดับประดาตามมัสยิดนี่มีโอนี่จ้างช่างช่างคอบช่างมามาทำมาทำศิลปะเขียนกุรานะ <c oughs> ไปมสัสยิดบางที่นี่บางแห่งนี่เขาบอกว่าเนี่ยรอบรอบมสัสยิดนี่เขาเขียนคุรานที่ประเทศจีนน่ะเขาบอกว่าคุรานทั้งเล่มเลยอยู่อยรอบรอบผนังอะ คุรอานถึงโอสุดยอดนะความมาะนะอะะในการทําขนาดนี้แล้วมีประโยชน์อะไรอย่าว่าเอาุร์ตอ่านมาประดับมาประดับในมัสยิดเอากุร์ตอ่านมาประดับหัวใจโดยที่ไม่ ม, โ ม, มีโดยที่ไม่มีผลอะไรเลยต่อชีวิตเราจะดีใจว่าใครท่องจํากุรอ่านนี่ก็หมายถึงว่าถ้าหากว่ากุรอ่านนั้นอะได้ ได้มีอิทธิพลอิทธิพลต่อชีวิตของเขาจริงๆอยากจะให้ลูกท่องจำคุร์อ่านเนี่ยต้องตั้งใจเจตนาให้ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นกระแสทุกคนก็อยากจะให้ลูกท่องจำคุรอ์อ่านใช่เพื่อให้กุร์อ่านนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกของครอบครัวไม่ใช่เอามาเป็นยศเป็นเป็นศักดิ์ศรีเนี่ยมาอวดชาวบ้านว่าลูกฉันน่ะเป็นฮาฟิด ในไงเป็นฮาฟิทแต่เวลานั่งรอละมานี่ก็เล่นเกมกุรอานนั้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอะไรหเลยเป็นฮาฟิททั้งทีนะกุรอานน่ะอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยแต่เขามีความสนุกสนานมีมีความบันเทิงสุดฟินกับเกมแล้วมันมันใช่เหรอกุรอานได้เปลี่ยนอะไรในชีวิตของเขาล่ะ ถึงขนาดก็จะผมไม่ได้บอกว่าอ๋อถึงต้องเป็นฮาฟิศจะได้เลิกเกมอ่าบางคนก็อาจจะกูไม่ได้ฮาฟิศนี่เล่นเกมได้ก็ไม่ใช่แล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าเล่นเกมไม่ได้นะว่าให้เลือกไงแต่ในบางทีนี่ถ้าอะไรที่มันครอบงําชีวิตของเราทั้งหมดเลยแต่ในเราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาแล้วนะแต่ในนั้นนะ่ะที่มันครอบงํำนะั่นนะไม่มีกุณอ่านอยู่อยู่ตรงนั้น ไม่มีกุฎอานเรื่องอ่นนี่ครอบงาหมดหนังภาพยนตร์ละครเกมาอะไรต่างๆมันครอบงำหมดหมายถึงว่า ม, มันสามารถที่จะทําเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งหมดเลยแต่ในนั้นนะนะไม่มีกุฎอ่านไม่จําเป็นต้องกุฎอานทั้งเล่มไม่จําเป็นต้องมีกุฎอานแล้วเคยบอกกับพี่น้องว่ากุฎอ่านนี่ไม่ต้องไม่ต้องอยู่ในหัวใจของเราด้วยสำนวน คุรอ่านที่อยู่ในชีวิตในหัวใจนะไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยสำนวนอิทธิพลของกุรอ่านนี่อยู่ด้วยหลักการนะเนื้อหาของกุรอ่านสามารถชี้ชัดได้ว่าชีวิตของเรานี่มีแต่กุรอ่านนี่นะไม่ใช่หมายถึงว่าท่องจํากุรอ่านนะพอเอ่ยเรื่องนี่อ๋อนี่อายา่านี่เท่านี้อยู่ในสุราเนี่ไม่ใช่หมายรวมอย่างนี้นะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าท่องจํากุรอ่านนี่หมายถึงต้องแม่นขนาดนั้นเลยนะ ขอมีเรื่องอะไรนี่อ๋อยกคุรานี่เลยไม่ใช่ยกกุราน่าหนิแต่พอถูกถึงหลักการศาสนาหนาไม่ปฏิบัติหนิไม่มีความหมายแต่สาวบ้านีนไม่ได้เป็นอย่างนั้นสาวบ้านีนที่ต้องจํากุรานนี่น้อยมากสีคนนะ่ะว่ามันสาวบ้านบางท่านนื่ได้นับคนที่ต้องจํากุรานสมัยนบีนี่มีแค่สี่คนสาบ้านนี่เป็นแสนนะ่ะส่วนมากในสาบ้านนี่เขามไม่ได้ใช้ท่องจํากุรานนี่คือตัวสํานวน แต่เรียนรู้คุรานกับท่านนบีก็จริงแต่อันเชิญเนื้อหานี่มาเปลี่ยนชีวิตของเขาในมีแต่คุรานคุรานนี่เป็นหลักการคุรานนี่สอนสอนว่าห้ามทำซินายกได้ในทางทำอะไรวะละตกรับซีนาอินนุคานะฟาฮิชเต์วะมะกตหวะซออัซบิลยกได้แต่ทาซิน่านี่คือสิ่ง สิ่งที่มันสะเทือนสะเทือนศรัทธาทุกคนจะมีพื้นฐานด้านศาสนานิหนึ่งอย่างที่เราเห็นกันน่นสีกาโกเนี่สังคมสะเทือนนี่เพราะอะไรที่จริงเนี่ยเขาก็รู้กันนะนะว่านักบวชนี่ก่อนหนะน้านี้ก็มีเนี่ยเขาก็ทํากันใช่ไหมแต่นี่มาระดับนี้ระดับปรมาจารย์ระดับคนบิ๊กๆใช่ไหมคนที่เขาจำสมข้อห้ามต่างๆนี่ สอนคนอื่นด้วยแล้วก็ประยูในครมการที่จะปราบคนอื่นนี่ก็าทำแบบนี้ทำเสียเองนะมันก็สะเทือนในสังคมสะเทือนมีประโยชน์อะไรล่ะถึงเขาบอกว่าธรรมะนี่ไม่ได้หมายถึงว่าให้เทศเป็นนะนะเอะคนที่เทศเป็นในสแสดงเขามีธรรมะเป็นนักเทศในสแสดงว่า ทำรรมาทำมาเขาสมบูรณ์นะไม่ใช่บางทีในชาวบ้านนี่เทศไม่เป็นแต่ชีวิตเขานี่ทำรรมาเนี่เต็มเต็มเต็มรูปแบบเลยทุกอย่างเลยเป็นเป็นนักทำรรมาจริงๆเรากำลังพูดว่าบความสําคัญของกุฎีนั่นนะเนื่องจากว่าโซร์ยูนุสนี่กำลังให้กําลังใจท่านนบีสุลตานะแล้วสลัมที่ถูกปฏิเสธนบีไม่ได้ถูกปฏิเสธในตัวท่านนบีนะหมายถึงว่า คนที่คนที่ปฏิเสธนบีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่าแค้นนบีไม่ได้แบบว่าต้องการที่จะมันไส้นบีแล้วก็จะให้นบีนี่ให้นบีเสียดสีท่านนบีเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีสุลลัลละัลลัมฟะอินนั่มลายุคดดิบูนกะแท้จริงเขาไม่ได้ปฏิเสธเจ้า ولكن ا ل ا ل م ي ن ب آ ي ا ل ل ه يجحدون ذلك ا ل ن ب و ء คนที่ปฏิเสธเจ้าน่ะนะแท้จริงเขาปฏิเสธองค์การของอัลลอฮ์ต่างหาอันนี้คือผลลัพธ์ของมันปฏิเสธนบีเนี่ยมันเปเป้าหมายหลักเป้าหมายหลักแล้วก็ บ, บาด ท, ที่มันจะเป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่มันร้ายแรงที่สุดนี่คือปฏิเสธองค์การของ Allah ปฏิเสธพระเจ้าถ้าเราได้จับต้องเนื้อหาในสุราที่กําลัง ให้กำลังใจกับท่านนบีสุลต่านละอออุสสลัมและบรรดาผู้ศรัทธาที่เจริญบอยท่าท่านนบีเนี่ยที่ตามท่านนบีนี่นะแสดงว่าเราเราเข้าใจละสุรานี้นี่ต้องการพูดหน่ออายะนี้อายะห้าสิบ็ดนี่นะให้กำลังใจกับผู้ศรัทธากับท่านนบีและผู้ศรัทธานีถึงคุณค่าของกุรานกุรานมีความสำคัญชะไหน บอกแล้วว่ากุอานี่เป็นข้อเตือนผู้ศรัทธาต้องมีข้อเตือนเตือนสติเตือนใจตลอดไม่มีข้อเตือนนี่นะชีวิตเนี่ยไร้ความหมายอยาอยันเนดจเตคุมมิตุมิรรบบิคุมมีข้อเตือนจากองค์พระบุอวิมานของเจ้ามายัางพวกเจ้าที่บายไปแล้วนะ ไม่แน่นะเดี๋ยวครั้งต่อไปนี่โอ้ยังมีครั้งอายะนี่ยังอยู่อี ก, อกนานนะเนี่ยบางคนบอกว่าเออยังไม่ได้ไปไหนเลยนะ น, นี่ยังอยู่แถวนี้นะห้าสิบเจ็ดใช่เพราะมีบางประเด็นเกี่ยวกับข้อเตือนมันจะเกี่ยวกับเรื่องหุดาและก็รัมา พอจะพูดเรื่องหุดาแ ล, าล้วรามไกจะมีข้อเกี่ยวกับข้อเตือนเนี่ยเดี๋ยวก็จะย้อนกลับมาอีกทีแล้วได้พูดถึงวชิฟาอันนี้ยังยังไม่จบยังไม่หมดชิฟานี่ผมบอกแล้วนี่ยังยังอีกนานชิฟาอุลลิมาฟิสซุดูรเป็นการบัมบัดสิ่งที่อยู่ในหัวใจเคยบอกกับพี่น้องแล้วว่าบัมบัดสิ่งที่อยู่ในหัวใจคือรก ในสุรุษอัลมักการะละบอกว่าในหัวใจของเขานี่มีโรคโรคในหัวใจของเขานี่ทาให้เขาอ่อนแอด้านจิตใจเพราะในสุรุษอัลมุนาฟิกูนนุนอัลล์บอกว่าการณ์นัือชุบมุสันนั่ะถ้าพูดถึงร่างกายสรีราของพวกมุนาฟิกีนนะอัลล์บอกว่าเหมือนเหมือนแท่งไม้เหมือนชิ้นไม้ก้อนก้อนใหญ่ที่มัน แข็งแกรงรูปร่างเขาแข็งแรงแต่หัวใจของเขาเนี่ยอ่อนแอและนี่คือส่วนหนึ่งที่กุอานได้ชี้ถึงสภาพจิตใจแล้วก็ให้ฉายาว่ามันเป็นโรคทั้งนั้นดิปกติแล้วเนี่ยโรคเนี่ยโรคเนี่ยเราจะใช้กับปัญหาความอ่อนแอด้านร่างกายอันนี้ที่เป็นรูปธรรมคนนี้ มีโรคโรคนี่ก็หมายถึงโรคเชื้อโรคเชื้อของโรคเราจะใช้กับเรื่องร่างกายมากกว่าเรื่องสรีระมากกว่าอะไรทั้งสภาพจิตใจเนะี่ยถ้าอ่อนแอเหลนี้เขาก็ใช้นะเงี้ตั้งแต่ยอมรับว่ามีจิตใจเนี่ยอาจจะมีโรคโรคทางจิต แต่เรื่องจะว่าโรคทางจิตเนี่ยมันไม่ได้มีบริบทเหมือนโรคทางสรีระบางอย่างนี้ก็ไม่สามารถใช้เขาไม่บอกว่าถ้าเรื่องสมมติโรคโรคจิตอย่างเงี้ยเขาไม่มีเชื้อโรคจิตมีไหมใช่ไหมไม่มนะีไม่มีชื้อโรคมีไวรัสไวรัสโรคจิตไม่มีไม่มีเขายอมรับว่าโรค สภาพโรคจิตใจเนี่ยมันมาจากบริบทของสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้เอาเข้าแหลบไม่ได้ไปหาจิตเวทดิเขาตรวจวดตรวจเลือดไหมะฮะเอ็กซเรย์้ยตัวเอ็กซเรย์ะดูที่หัวใจมีโรคจิตโรคจิต ม, มั้ยเขาไม่ ม, มีและนี่คือสิ่งที่ท้าทาย ท, ที่สุด สำหรับจิตแพทย์ต้นศตวรรษที่ศตวรรษที่ยี่สิบกิจการนั้นยังมีนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าจิตแพทย์นี่เป็นเป็นเป็นแพทย์เป็นเป็นวิทยาศาสตร์ก็ยังมองว่าหมอดูพวกพวกจิตแพทย์นี่เป็นพวกหมอดูทําไมเพาก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยปฏิเสธด้วยซ้ำแต่ก่อนนัปฏิเสธเลยนึกามีนี่ไง มันมีจิตใจด้วยนี่ที่อยู่ต่อนหน้าเรานี่คือร่างกายและมนุษย์เนี่ยมีแต่สิ่งที่สัมผัสได้เขาบอกว่าเอา้าแล้วก็เรื่องเรื่องดีใ จ, งใจเรื่องเศร้าใจเรื่องเขาบอกว่านี่มีแต่ฮอร์โมนแต่ดีใจก็มีฮอร์โมนมันหลั่งมาถ้าเสียใจเศร้าใจนี่ก็มีฮอร์โมนหลั่งมาเขาบอกว่าทั้งหมดนี่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องสัมผัสได้ถ้าสัมบัต ไ, ไม่ได้นี่ไม่ต้องคุย แต่อยู่ไปอยู่มามนีม่ใช่มันมีเรื่องเขาบอกว่าตะกอนนู้นน่ะมันมันเป็นเรื่องมีตเมตตาฟิสิกฟิสิกฟิสิกนี่คือจับต้องได้เมตตานี่คืออะไรไม่ใช่เมตตานะเมตตาเมตตานี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นนะไม่ใช่ฟิสิกฟิสิกนี่สัมบัตเมตตาฟิสิกคือไม่สไม่สัมบัตสัมบัตไม่ได้เขาบอกว่ามันมีบางอย่างในในชีวิตของมนุษย์เนี่ยสัมบัตไม่ได้ มันอยู่มันอยู่ในมิติชนิดที่วิทยาศาสตร์ยังไม่มีเครื่องมือเพียงพอที่จะเข้าไปสํารวจไม่มีจิตแพทย์จะเป็นคลินิกของจิตแพทย์นี่จะเป็นห้องที่เรียบง่ายมีโซฟาให้นั่งคุยมีมีไฟสลัวสลว มีดนตรีคลาสสิกง่ายๆนะเนี่ย น, นี่อันนี้สากลนา น, นะสากลไม่มีแล้วเข้ามาแล้วก็จะมีไปหูฟังแล้วก็มีหรือใส่ใส่ชุดสีขังางนี้เขาไม่มีเขาเขาคือคนที่จะเข้าไปหาจิตแพทย์เนี่ยจะเป็นคนที่มีความกังวลมีความเศร้ามีมีอะไรใ น, ในในใจเขาเนี่ยคือจะเข้าไปเนี่ยเหมือนจะเข้าห้องล a บหรือห้องหมอตรวจนี่นะเายิ่งกลัวสิ ก็ต้องให้เขาก็สบายๆเขายอมรับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ควบคุม อ, ว, อวัยวะต่างๆที่เรามองไม่เห็นเขาปฏิเสธก็คือถ้ามาถามมาถามเราเนี่ยขกขาบอกว่าวิญญาณไงรู้ไงแต่เขาไม่ยอมไม่ยอมรับเหมือนคือคนนี้ไม่ศรัทธานี่ยากคุยยาก อาแล้วทำไมคนนี่เขาเริ่มยอมรับว่าเป็นเป็นวิชาการเป็นวิทยาศาสต์อย่างหนึ่งเป็นเพราะเขาเห็นผลลัพธ์ของมันเห็นผลกระทบของมันเขาไม่เห็นนะรู์ไม่เห็นจิตใจนี่ไม่เห็นนะแต่สิ่งที่มันออกมาในปฏิกิริยาในถึงขั้นดีบเราจะเห็นคนที่เป็นฆาตกรฆาตกรต่อเนื่องเป็นคนที่ ทำร้ายร่างกายตัวเองทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวเพราะเพราะจิตเวทนี่ผลลับของมันยอมรับแต่นี่เราต้องยอมรับว่าคุรา น, นี่นะี่ยพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพ4 0สี่รกว่าปีนี่หมายถึงว่าปัญหาในจิตใจไม่ใช่ร่างกายแนละ้วในจิตใจเนี่ยที่มันมีผลต่อชีวิตของเราถึงขนาดทีตทำให้เลือก ทางที่ดีและทางที่ไม่ดีถึงจะให้เป็นมุนาฟิกจะให้เป็นกาเฟนีนะจะให้ปฏิเสธศรัทธาจะให้ต่อสู้กับศัจธรรมนะคนที่หัวจะเขานี่มีโรกดูเหมือนว่าเรื่องนี้นี่มันก็มันก็คือใช้กันมาตั้งแต่ดึกดำบัรดในค้นหาในกุตลานี่พบการชี้ถึงเรื่องนี้เหมือนกันทางอ้อมนิดหนึ่งเรื่องราวของท่านบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลาม อิบรอฮีมเกิดในสังคมอิบรอฮีมอย่างที่เคยเล่าให้พี่น้องฟังนะมีความขดัดแยงระหว่างอุลามา่วทินของท่านนบีอิบรอฮีมอยู่ที่ไหนส่วนมากนักประวัติศาสตร์และนักอถาธิบายกุรอา่านจะบอกว่าอิบรอฮีมอยู่ที่พื้นที่อาณาจักรบาบิลุนอยู่ที่อิรักอินทรศะส่วนมาก อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าท่านนบีบรหิมผมไม่เคยอยู่นู่นเลยท่านเท็จริงนี่ท่านนบีบรหิมอยู่แถวเมืองชามนี่แหละเมืองชามและกรตอนเหนือของอ่าคาบสมุทรอาหรับเนี่ยแถวแถ ว, แถวจอแดนอะไรพวกเนี่ยซึ่งอันนี้ในที่น่าจะมีน้ําหนักมากกว่าแต่นี้ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะปฏิบาต ท, ท่านนบีบรหีมอยู่ในพื้นที่ที่เขาบูชาจวิด มีอิบราฮิมท่านนบีอิบราฮิมผู้เดียวที่เขาริสักการะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพียงพู้เดียวท่นานนบีอิบราฮิมอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเจเวดนี้เนี่ยมันพูดไม่ได้มันทำมันทำอะไรไม่ได้มันจะช่วยตัวเองก็ไม่ได้เขาก็วางแผนที่ทําอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งมีเทศกาลเกิดขึ้น ที่คนในท้องถิ่นเนี่ยเขาจะต้องออกจากเมืองทั้งหมดเลยเทศกาลออกออกจากบ้านออกจากเมืองเนี่ยเหมือนบ้านเรานี่ไปไปไปสรดน้ํากันไปอะไรกันอย่างเงี้ยต้องออกหมดเนี่อยู่อยู่ข้างนอกอยู่เขาไม่รดน้ําในบ้านนะเ่ยต้อ ง, ต, องต้องอกนอกอบ้านออกในเมืองเลยออกจากเมืองเลยเขาก็ชวนนบะีบรหิมบะไปไปไปร่วมเทศกาล ท่านอิบราฮิมอัลลอฮุลลอฮิวะญิมมน์กุรอาน فقال إني سكين อิบราฮิมบอกว่าเขาไปอยู่ไม่สบาย فتولوا عنه مدبِرِتِن خيام خ ش ي ا ن และก็ยอมให้น้ีอิบราฮิมอยู่บ้านไม่ต้องออกเพราะนบีอิบราฮิมบอกว่าอินนีสกีมเพราะที่จริงแผนของท่านนีอิบราฮมน่อยู่แล้วก็ทำทลายเจวิใช่มและเจวดนี่มันจะ ปกป้องตัวเองไม่ได้พอมันกลุ่มชนนบีบรหิมมาแล้วนี่ยเดี๋ยวเจอเวิถูกทําลายหมดเนี่ยอา้าวใครทาําอ่ะนบีบรหิมผมก็ถามมันดิอิงการูยังตะกูนน้นเป็นพระเจ้าจริงงั้นนะถามมันนี่มันจะตอบไหมแต่ น, นี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าท่านนาบีบรหิมไม่ออกกับคำว่าอินนิสกีมข้าพเจ้าไม่สบายนาบีบรหิมต้องการให้ เขาเข้าใจว่าเขาไม่สบายหมายถึงว่าด้านร่างกายอแต่เขาไม่ท่านอิบราฮิมก็แข็งแรงนี่โกหกหรือเปล่ามันมีหครที่สูบทหนึ่งไอ้ซี่สวยนะครับแต่ผมเลือว่าใครบันทึกไอ้ี่สอยท่านบีสุลต่านนบีของเราเนีมุฮัมัดสุละสัลลัมได้รายงานบอกว่าได้รายงานเรื่องของท่านบอิบราฮิมบอกว่าท่านบอิบราฮิมได้โกหกสามครั้ง และนี่คือสาเหตุที่ท่านนาบีอิบราฮิมจะอ้างวันเกียยมาเมื่อประชาชาติทั้งหลายไปหาท่านนาบีอิบราฮิมให้ทูลอัลลอฮฺจะได้เริ่มตัดสินแล้วท่านนาบีอิบราฮิมก็บอกว่าข้าพเจ้าทําในสิ่งที่มันไม่เหมาะหมายถึงว่าได้โกหกสามครั้งแต่ที่จริงแล้วนี่ท่านนาบีอิบราฮิมไม่ได้โกหกท่านนาบีอิบราฮิมเนี่ยพูดทางอ้อมพูดพูดคําที่มันมีสองความหมายนี่ก็ได้กว่ามาอาริี นึงในนั้นนะ่ะที่นบีบอกว่าท่านน บ, บีบรหีมเนี่ยโกหกแต่ไม่ได้โกหกจริงก็คือท่านน บ, บีบริมบอกว่าอินนีมนีอันนึงนะลอันหนึ่งกนษะัตริย์ น, น, น, นี่จะเอาซารรู้ว่าารนี่เป็นภรรยาของท่านน บ, บีบรหีมและกษัตริย์นี่มีโรคจิตนะ่รู้ว่าภรรยาเมียใครเนี่ยก็จะเอาเป็น เอาเป็นธาตุเลยท่านนบีบรูไฮมบอกว่ามิเชภรยาอันนี้อันนี้เป็นพี่น้องของข้าอันนี้สองละสามเรื่องที่ท่านนบีบรูไฮม์โกหกใครจาได้เนี่ยก็บอกนะท่านทุกทเรื่องแรกนี่อินนิสกิมอุลามาได้บอกว่าที่จริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นการโกหกแต่ท่านนบีบรูไฮมหมายถึงว่าไม่สบายใจ หัวใจของฉันเนี่ยเจ็บใจไม่สบายใจที่พวกเจ้าเนี่ยบูชาสักการะพระเจ้าอื่นจากอัลลอ์ซึ่งพูดแบบนี้มันมีนัยยะมีความหมายที่สามารถตีความได้ไม่ถือว่าโกหกแต่ระดับท่านนาบีบรหีมก็แม้กระทั่งเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันตีความได้นะแต่ท่านนาบีบรหมรู้สึกรู้สึก ผิดใจวะทําไมต้องทําแบบนั้นอีกขนาดขนาดระดับเขาอะนะแค่คําศัพท์ที่มันอาจจะมีเนื้อหามีสองความหมายเนี่ยเขายังยังถือว่าเออพลาดไปไม่น่าจะทําแบบนั้นเลยนิ่อุลเลาะห์เขาเรียกว่าฮัสซานาตุลอบรอสเยียตุลมุกรบีนความดีของคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นความผิดของคนชั้นสูงค น, คนที่มีอีหมานคะแนนสูงสูงนี่นะ ไอ้ของที่คนอื่นเขาอย่างเช่นเราสโสดเราตื่นละมาเที่ยมวมุลล่นเร็วทุกคืนเลยทุกคืนเลยนะละมาเที่ยมวมุ่อสามสามร aka สามร a k ะห้ารอกะทุกคืนเลยนะแต่สำหรับคนบางคนนี่นะที่เขาละมาทุกคืนนะ่ะสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดละมาทุกคืนเลยพอมีคืนหนึ่งเขามาละมาสามร aka เ, เขาจะรู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึ ก, สกผิด ไอ้ที่เขารู้สึกผิดนี่แนะ่ะคนอื่นนี่เขาทำเฉยเลยทําทุกวันเฉยเลยและจิใจด้วยเห็นไหมเรื่องธรรมะนาธรรมะนาของคนบางคนนี่สำหรับคนชั้นสูงนี่มอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ไม่เหมาะก็ได้แต่นี่เป็นส่วนหนึ่งในคุตตานที่ชี้ได้ว่าการใช้คําว่าโรคหรือป่วยสําหรับสภาพจิตใจนี่เนะี่ยมันใช้ได้เพราะนาบีบรูฮีมใช้ เอ็นกมไม่สบายทางจิตแพทย์นี่เขาจะรู้ดีนะครับว่าสภาพจิตใจเนี่ยสามารถทำให้คนเนี่ยล้มป่วยได้ล้มป่วยได้บางทีเนี่ยรับข่าวข่าวไม่ดีช็อกเป็นลมเลยไม่ได้มีโรคเชื้อโรคอะไรไม่ไดมีแต่ข่าว เนื้อหาข่าวบางอย่างนี่อาจจะทําให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ซึมเศร้าก็ได้สภาพจิตใจอาจจะทําให้น้ําตาลังไหลนอนไม่หลับถึงขนาดที่คิดสั้นฆ่าตัวตายก็มีใช่ไหมบรรดาที่คนอกหักนี่เราก็เห็นกันนอนไม่หลับท น, นไม่หลับ ทำไมอ่ะนไมทำไมนอนไม่หลับก็ความรักไงอนสภาพจิตใจความรักความรักทำให้นอนไม่หลับเทคไม่รู้หรอกอายันถามว่ารักอลอฮ์ไหรักสิรักรักมากที่สุดใช่มาักอัลลอมากที่สุดทำไมท่าไมนอนหลับเฉยล่ะทาไมนอนหลับได้อ่ะ ทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นเรื่องธรรมดาเลยเกินนะแต่ว่าเขาไม่ใช่มาเราก็เห็นนะว่าว่ามันเป็นความรู้สึกพิเศษทำไมเพราะบางคนเนี่ยที่รักอัลลอฮ์จริงๆก็นอนไม่หลับอุมรอับดุลอาซีสภรรยาของท่านนี่บอกว่า ในอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัสอาจจะมีคนนี้ละมาดยอะที่สุดมากกว่าอัลมาดิลาซีสเนี่ยมาทิชชัยิชชัยไปเลยเยอะกว่าอัลมาดิลาซีสทำบุญมากกว่ามาทำความดีมากกว่าอัมแต่จะมีคนดีคนทีกลัวอัลลอ์เนี่ยเท่ากับอดลาซีตอนนี้ไม่ไม่น่าจะมี อยู่กับอุมรุณอับดุลอาซิสโดยเฉพาะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งขีลาฟานีเป็นผู้นำแล้วนะอุมรุณอับดุลอาซิสเนี่ยทั้งคืนเลยนอนสักพักนึงแล้วตื่นสะดุ้งตื่นสะดุ้งแล้วก็นอนต่อตื่นสะดุ้งอย่างนี้ทั้งคืนเลยทุกครั้งนี่อะไรเป็นอะไรพระล่าจะถามว่าเป็นอะไรเขาจะตอบว่า ด่าขรตุมุน صرف الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير فلم أدرى من أي ي ي ا ن كم. كم ن ن ن ن ل ف ر ي ق ي ที่ตื่นสะดุ้งนี่นะเพราะไดฝันได้เห็นได้นึกถึงคนวันเกียรมานี่แบ่งแยกกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึงเข้าสวรรค์กลุ่มหนึงเข้านรกและข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มไหนกันณตอนนี้เนไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มไหนแน่ๆตื่นสะดุ้ง มันสมควรแก่การที่จะกลัวอัลลอฮ์แล้วก็กลัวการลงโทษโดยเหตุผลนี้ น, น่ยนะสมควรแต่เราจะกลัวจริงมากไม่แค่ไหนนี่อันนี้ขึ้ น, นอยู่ที่ إ ي م านแต่ละคนแต่เรื่องนี้และก็เรื่องอื่นอื่นเยี่ยงเรื่องนี้นะเช่นเรื่องนี้นะ่ยนะมันสามารถที่จะสร้างความสะเทือนใจสําหรับผู้ศรัทธาไม่มากก็ น, น้อยไม่หยุทุกคืนอย่างานาอยแต่อย่างน้อยในชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้ ยืนต่อหน้าพระพักอัลลอฮ์จะพูดคุยกับอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องสร้างความสะเทือนใจสักครั้งหนึ่งการที่จะไปอยู่ในนรกแล้วก็ถูกทรมารย์นรกเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องทําให้สะเทือนใจอ่ะว่าโอ้โหมันเรื่องมันมันมันม น, น่ากลัวขนาดนั้นอาจจะไม่ทุกคืนก็นได้เมื่อฟังกุอานแล้วก็ได้ยินเรื่องของนรกเรื่องอนั้นก็ได้อยู่กําลังนั่งสิกุรุลลาแล้วกันนั้นก็ได้แต่ไม่มีเลยอะ่ะ มันเป็นได้ไม่ได้สำหรับคนเยี่ยมเกรงอลัวเราจริงๆนะแล้วก็ไม่นึกถึงเรื่องนี้เลยกลัวจะเป็นมะเร็งกลัวผีจะขึ้นมาเดินเดินไปในถนนเนี่ยกลัผีจะขึ้นมากลัวจะโดนนู่นกลัวจะรถชนกลัวจะนู่นกลัวจะนู่กลัวเรื่องสารพัดแต่เรื่องนรกไม่เคยกลัวเลยไม่กลัวหรอกไม่กลัวนรกไม่กลัววันเกียมาไม่กลัวสิ่งที่น่ากลัวจริงๆอ่ะแสดงว่าศัจธรรมของมันเนี่ยมันมัน มันไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจเท่าที่ควรสําหรับผู้ศรัทธาและนี่แหละนี่แหละคือสัญญาณป่วยของพวกมุนาฟิกชีวิตเขาเนี่ยถูกล้อมด้วยตัวบทหลักฐานหน่วยหลักการตัวเขาเนี่ยเขาไม่เขาละหมาดนะสมัยนบะีหนุมนานิกละหมาดนะแต่อีมานนี่มันไม่ได้เข้าไปสร้าง การเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างแท้จริงเหมือนบรรดาผู้ศรัทธาละหมาดก็ละหมาดบริจาคก็บริจาคบางคนก็ออกไปจิ h า d กับท่านนบีสู้รบกาหารด้วยแต่มันไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงกับเขาอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าพวกนี้เนี่ยหัวใจของเขานี่มีโรค في قلوبهم مرض รักษาอย่างไงะเรื่องนี้ รักษาด้วยคุฎอัลโรคชนิดนี้เนี่ยโรคจิตใจที่มันจะทําให้หลักการศาสนาเนี่ยไม่สำฤทธิ์ผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์นี่นะวิธีรักษานี่ยยาตัวเดียวเลยกุฎอานแล้วอัลลอฮ์ได้บอกในกุฎอานว่าพวกมุนาฟิกนี่สิ่งที่เขาสิ่งที่เขาไม่อยากได้ยินไม่อยากรู้ไม่อยากได้เห็นไม่อยากไม่อยากเจอ ในชีวิตประจำวันตอนอยู่กับท่านนบีเนี่ยก็คือกุรานว่อินเอุนซีลัสูร์ตุนกอลอยุกุมซาตะทูฮาดีอิมาเนเขาจะเอามาเอาคุรานมาเป็นเรื่องเรื่องเล่นนะเรื่องเรื่องทะลึงอ่ะพอกุรานมาแล้วเนี่ยแปลงแต่ยังไงโซรานี่มีใครมีใครอิมาดีขึ้นไหมมีใครมีใครดีขึ้นมีได้ทาอะไรไหมดีไหมเจอดีไหม เอาไรืงยะยยเอาแสดงว่าเขาเขาไม่มองว่ากุรานนี่เป็นยาที่สามารถเปลี่ยนแปลงรักษาโรคของเขาได้แล้วก็จึงเป็นโรคที่ร้ายแรงในโรคโรคนี้นเฟรนี่ความเป็นมูนาฟิกเนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีวันที่จะหายได้ตราบใดเขายังมองว่ากุรานนี่ไม่ได้เป็นยาเหมือนคนป่วยหมอจดยาให้จ่ายยาให้เขาก็เอายา ไม่กินยาแต่หาบมออีกที่หนึ่งก็เหมือนเดิมป่วยเหมือนเดิมหมอมันก็ไม่ดีขึ้นเลยท่านไม่ได้กินยาแลกิ น, ก, น ก, กินเหงือนกันกินแต่งงัดน่ะเขาไม่ได้กินเพราะเ ข, เขายังไม่เชื่อว่ายานี่มันจะเป็นประโยชน์สำหรับเขามุนาฟิกก็เช่นเดียวกันเรื่องนี้จะไม่พูดเยอะนะผวเดจะมีโอกาสพูดถึงเรื่องนี้บ่อย และอย่างที่บอกว่าเราต้องการให้กุรอาเนี่ยสัมผัสกับเรื่องร่วงร่วมสมัยความเป็นมูนาฟิกนี้ไม่ได้เป็นโรคระบาดมากนักในหมู่มุสลิมถามว่าเป็นมูนาฟิกนี่หมายถึงว่าข้างในนี่มีตะกูฟรนะ ดาเว้นนี่ปฏิเสธอิสลามแลวนะแต่ภายนอกนี่เป็นมุสลิมมนะหน้าตาดูชื่อก็เป็นมุสลิมมานะมีแต่ไม่เยอะแค่อะไรทีเยอะมันเป็นโรคจิตที่เป็นปนัญหาร่วมสมัยคือโรคจิตจริงๆที่เขากำลังมองว่ามันเป็นสภาพจิตใจที่ถูกสถาปนาให้ มีสถานะเป็นโรคเป็นความป่วยเหมือนโรคทางร่างกายทางสรีระนี่แหละโรคซึมเศร้ายํำคิดย้ำทำกวนกวายบรรดาโรคทางจิตใจที่ที่ปั่นป่วนชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันถึงขนาดที่ประเทศบางประเทศนี่นะ ให้สวัสดิการสาธารณสุขเนี่ยสามารถพบจิตแพทย์และเบิกได้บ้านเรายังไม่มีบ้านเรายัางไม่ ม, ม, มีทำงานอย่างเงี้ยทางานแล้วก็เจ้านายนี่สั่งงานเยอะเนจนเครียดเครียดทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราเครียดเียครียดแล้วก็เศร้าเขาไม่บอกว่าไปพักผ่อนไปพบจิตแพทย์เลย พบจิตแพทยพ์ในหมายที่มันเบิกได้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะแต่อันนี้บ้านเราเนี่ยไม่ไม่ได้เนี่ยสมมุติว่าเครียดแล้วก็คือบางทีก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยพบจิตแพทยพ์เนเบิกได้ไหมเบิกไม่ได้เอาไม่ไปมันก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตนะนะที่อยู่ในประเทศที่สามารถ เบิกเบิกทำอะไรอ่ะเบิกจัดเทศกาลต่างๆอย่างปีใหม่อย่างเงี้ยมีจัดปาร์ตี้มีอะไรตะก่อนนู้นน่ยเบิกซื้อเหล้าได้นะเบิกซื้อตก่อนนู้นเดี๋ยวนี้เขาระเบียบนี่ห้ามละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ห้ามมนถ้ามีเทศกาลอะไรเนี่ยมีงบเนี่ยมีงบเฉพาะเนี่ยจัดจัดให้ ให้พนักงานเนี่ยจัดมีปาร์ตี้มีอะไรให้สนุกสนานกันได้แตจะเบิกทาฟันเนี่ยไม่ได้ถอนฟันได้เบิกได้ถอนฟันไนไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยถอนฟันห้าร้อยพันึงมาเบิกได้ได้หมดเี่ถอนฟันทั้งหมดเนี่ยได้เบิกไปเลยถอนฟันเนี่ย แต่ทาฟันนะ่ะให้มีประสิทธิภาพชีวิตไม่มีคุณภาพเลยแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาด้านจิตใจจริงๆมีโรคซึมเศร้าจริงๆ ร, รักษาอาจจะได้รักษาเนีรักษาอย่างต่อเ น, นื่องรักษาเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยนะบางคนต้องใช้เวลาเป็นเป็นเดือนเป็นปีนี่กว่าจะรักษาหารักษาขาดอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีงบที่จะดูแลตรงนี้ อาแิแดงว่ามีใช่ไหมมีแน่นอนโรคจิตใจมีและโรคจิตใจนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับโรคมืดที่มันเกี่ยวกับเรื่องยินและด้วยประสบการณ์ของผมนี่นะโรคจิตใจกับโรคมืดเนี่ยมันคู่ขนานกันหมายถึงว่าอะไระ หมายถึงว่าใครมีโรคมืดนะแสดงว่าโอกาสสูงที่จะมีโรคจิตโรคจิตและใครมีโรคจิตนี่นะมีโอกาสสูงที่จะโดนโรคมืดเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นคนที่มีปัญหาเรื่องยินเรื่องโดนของเรื่องอะไรพวกนี้นะส่วนมากนี่ก็จะมีปัญหาสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ แล้วคนไม่มีปัญหาสภาพจิตใจที่ยแย่มนี่นะก็จะเป็นเยือกง่ายสำหรับบรรดายินทั้งหลายเล่นงานง่ายเช่นเดียวกันคนไม่มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งอาจจะไม่ดีเข้มแข็งเพราะความศรัทธาก็ได้แต่เข้มแข็งเพราะเป็นเป็นคนเข้มแข็งอะ่นะคนที่สภาพจิตใ จ, ใจใเข้มแข็งนี่นะก็จะห่างไกลจากโรคมืด เสียส่วนมากคนนี้มีสภพใ จ, จเข้มแข็งนะนะไม่ค่อยโดนของหยินเนี่ยเล่นงานไม่ได้จีตใจเข้มแข็งยกตัวอย่างง่ายๆนะคนที่จิตใจย่ายแย่สภาพจิตใจอ่อนแอเจออะไรน่ากลัวอย่างเงี้ยผวาเลยใช่ไหมไปไม่ได้มีที่มืดๆืนไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวต้องต้องห้ามแต่ไอคนนี้ส จิตจเขาเข้มแข็งเงี้ยนเออเมีอะไรเห็นมีอะไรเลไ อ, อ้วกเนี้ยไอ้วกเนี้ยยินเนี้ยยินเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าโผลมานะอ่ายินเนี่จะเล่นงานคนที่สภาพจิตใจนี่เขาหนีแย่พี่ชาวบ้านเขาบอกว่าผีหลอกกันอนะ่ะเปี่ยนเลยนะยินหลอกยินนี่มันรู้วเรายินนี่เหมือนสุนัขเลยนะสุนัขนี่นะมันได้กินนะ่ะนะคนที่กลัวนี่มีกิน หรือถ้าไม่มีกินเนี่ยก็จะมีก็จะมีภาษากายที่หมานี่มันดูออกนะภาษากายของคนกลัวนี่นะถ้าหมานี่มันรูวยนี่กลัวแล้วนี่นะ <c oughs> เล่นเล่นเนงานไม่หยุดเลย <c oughs> ค่ยๆก็รู้ไงแต่คนที่ไม่กลัวหมานี่หมาเงาวงาว้งานิดนึงแล้วก็ไปละรู้รู้ว่นี่เล่นงานไม่ได้นไม่เวิร์กไม่เวิร์ก อาจิงด้วยได้ถึงขานาดที่คนเข้มแข็งแบบเนี้หมานี่จะเข้ามากัดนี่นะมันก็สู้กับหมามันไม่ยอมไนงะคนนี่เข้มแข็งเงนน้ำสู้แล้วเราดูแล้วเราค้นหาดูนะ่ะคนนี่ควรแก่สภาพจิตใจที่เข้มแข็งแบบนี้ยนะไม่มีใครนอกจากผู้สถาณีไม่กลัวอะไรไม่กลัวใครนอกจากอัลลอฮฺไม่กลัวหมาไม่กลัวงูไม่อนะไห ม, มาจะมาจะมามามากัดมาก็ไม่กลัวมันกลัวทําไมอ่ะ ความหวาดกลัวทางธรรมชาตินี่มีได้แต่ไม่ถึงขนาดที่จะกลัวผวาแล้วก็ยอมสละทุกอย่างเนี่ยเพราะกลัวสิ่งเหล่านี้ถือวเป็นมัคลูกนะ็นไม ไ, ม ไ, มไม่ได้ยิ่งถ้าคนที่จะใช้ความกลัวเหล่านี้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับความศรัทธารู้ว่าเรากลัวใช่มหมมาแลกเปลี่ยนเนี่ยครูมันจะได้ไม่ละหมาดครูมันจะได้ไม่เค่งเร่งศาสนาครูมันจะได้ไม่มันไม่เอาศาสนาเลย นี่ที่มาแลกเปลี่ยนกับผู้ศรัทธายิ่งผู้ศรัทธายไม่ยอมคนนี้เข้มแข็งเองยิ่งไม่ยิ่งไม่ยอมสิแล้วกุรานช่วยไหมเพราะอัลลอฮ์บอกนี่ไงวัวช ah ิฟะอุลลิมาฟิสซูรเป็นยาบำบัดสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวใจที่เป็นโรคกันนะสิ่งที่มันมันสร้างความอ่อนแอสําหรับจิตใจของเราคุรานนี้รักษาได้หมดแม้กระทั่งโรคโรคจิตใจด้วยหนึ่งคนที่ เอนซึมเศร้าคนที่มีโรคจิตต่งางอุดอ่านช่วยได้ไหมช่วยได้แน่นอนอย่างแน่นอนเลยโดยไม่ต้องสงสัยเลยแล้วถ้าเราจะชั่งระวังคนที่มีโรคจิตแล้วไปหาหมอกินยานะหรือไปหาไปหาหมอแล้วก็บำ บ, บัดด้วยโดยการพูดคุยระบายความรู้สึกและวิเคราะห์จุดอ่อนในชีวิตและช่วยให้เขาเนี่ยได้ พาฟันตุดอ่อนนี้เนี่ยลชนะตัวเองได้จนหายสนิทสภาพอ่อนแอของเขานี่นะทำไมกุฎอ่านจะทำไม่ได้ทำได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้กุฎอ่านยังไงกับสภาพโรคจิตใจต่างๆแต่ที่เสร็ไม่ได้นะครับว่าถ้ามีงานวิจัยที่บอกว่าการรักษาที่เป็ น, นกลไกของจิตแพทย์ที่มันมีผล ถามีงานวิจัยยืนยันได้และทดลองได้และมันไม่ขัดกับหลักการศาสนานี่ก็เอามาใช้ได้เช่นยาที่จิตแพทย์เนี่ยเขาจะให้กินให้ให้คนที่มีโรคจิตเนี่ยได้ได้กินส่วนมากนี่ยานี่มันจะคุมประสาทและโฮอร์โมนสองอย่างคือปัญหาที่จิตแพทย์เนี่ยเขาสามารถเข้าไปควบคุมในร่างกายคือสองอย่างเท่านั้นก็คือโฮอร์โมนพโพรโม น, นี่มันจะมันจะควบคุม พฤติกรรมและความรู้สึกหลายอย่างความรู้สึกหลายอย่างในร่างกายของเราอนะ่ะดีใจเศร้าใจนั้นจะมีโฮอร์โมนควบคุมหรือประสาทสมองประสาทของสมองนี่นะเขาก็จะใช้ยาชายนิดที่มันควบคุมสองอย่างนี้ไม่ได้ไหมรวมว่าอ๋อ ถ้ามีซึมเศร้ากินยานี้ยานี้รักษาเสมไม่มีหมอใครจิตแพทย์ที่ไหนเขาบอกว่ายานี้รักษาซึมเศ้าไม่มีถ้าใครถ้ามีหมอใครบอกแบบนี้นี่นะเพรานเชิญเชิญไปคอกวัวนู่นคอกวัวคอกควายเนี่ไปอยู่กับไม่มีเลยยาที่จะรักษาไม่มีมันแค่เป็นตัวช่วยแต่เดี๋ยวนี้นี่เขาบอกว่าแม้กระตั้งยาพวกนี้เนี่ยมันก็มีงานรู้ใชมว่ามันก็มันก็ไม่ด้ไม่ดีหมายถึงว่าช่วยจริงงอาจจะอาจจะ อาจจะอาจจะสร้างภาพให้คนที่มีมีสภาพจิตใจแย่เนี่ยอาจจะช่วยช่วยด้านความรู้สึกอย่างเดียวถ้าเทียบแล้วระหว่างกุรตานกับกลไกจิตแพทย์นี่นะผมว่ากุรตานี่มีประสิทธิภาพสูงกว่าอีกซ้หแต่ปัญหาว่าเรายังไม่มีนักวิชาการระดับโลกนะที่จะนำมาซึ่งกลไก การรักษาโรคจิตต่างๆด้วยกุอตานโดยมีกระบวนการชัดเจนนะและก็มีมีเครื่องมือชัดเจนเกี่ยวกับกุอตานและหลักการศาสนาในการรักษาในการรักษาโรคจิตสภาพจิตใจต่างๆมีนักวิชาการบางท่านในบางประเทศเช่นประเทศอียิปต์อดแดนซีเรีย โมร็อกโกเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับจิตเวทอิสลามมีและเริ่มมีตำราที่เป็นภาษาก่อนนั้นเป็นภาษาอาหรับนะส่วนมากนะแล้วก็นักวิชาการด้านด้านจิตเวทที่เขาไปทำวิทยานิพนธ์คือไปเรียนต่อเมืองนอกอะ เขาก็เขียนวิทยา JJ นิพ น, น์เป็นปาปา ran, ภาษาภาษาฝรั่งทั้งนั้นนะ่ะแล้วก็เริ่มกลับมานี่มามาสอนคือเขาเข้าไปได้เป็นนยาเอกเป็นนยาโทเป็นนยาเอกแล้วกลับมาสอนเป็นอาจารย์ในสาขาจิตเพศจิตจตเวทจิตเวทนะแล้วเขาพยายามที่จะก่อตั้งสาขาจิตเวทอิสลามในหลายมหาวิทยาลัยสถาบันนูมศึกษาที่ประเทศมุสลิม แต่ประเทศตะ ว, วันตกนี่เขายังไม่ยอมรับไงมีด้วยอ่ะจิตวิทยาอิสลามมีด้วยอ่ะบริบทของคำสั่งสอนอิสลามที่สามารถที่สามารถช่วยให้คนที่มีปัญหาั้นสภาพจิตใจที่แย่งแงนี่สามารถที่จะ หายป่วยและกลับมาเป็นคนแข็งแรงเข้มแข็ ง, ขงมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ ง, ขงมีด้วยหรอแต่วันตัวเขายังไม่เชื่อถึงแม้ว่ามีตัวพิสูจน์หลายอย่างให้เห็นเช่นจำนวนนับหมืน่นนับหมืน่นที่เป็นนักโทษที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนมากในนักโทษเนี่ย ก็คือนักโทษที่ติดคดียาเสพติดแน่นอนนอกจากว่าเขาติดยาเสพติดนะเขาติดยาเสพติดนะและเป็นพ่อค้ายาเสพติดด้วยนะติดคุกกันทั้งนั้น่ะและแน่นอนคนที่ติดยาเสพติดถึงขนาดเป็นพ่อค้าแน่นอนสภาพชีวิตของเขาตั้งแต่เกิดจนเติบโตนี่นะในสภาพที่มันปั่นป่วนมากทั้งครอบครัวทั้ง คนในบ้านและส่วนมากเช่นเดียวกันนะครับมีปัญหาทางติดใจปรากฏว่านักโทษเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตในคุกเมื่อรับอิสลามเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเลยถึงขนาดที่ฝ่ายบริหารเรือนจำที่อเมริกาส่วนมากส่วนมากนะรู้ว่านักโทษที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยส่วนมากเป็นคริสนะ แต่พยายามติดต่อนักบรรยายมุสลิมที่มีบทบาทในการพูดบรรยายกับนักโทษเนี่ยแล้วทำให้เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปติดต่อนักบรรยายนีย่ให้เขาเข้ามาสอนในเรือนจำนีที่อเมริกาเนี่ยเขาติดต่อนักนักชาการติดต่อนักบรรยายจะได้อันนี้เราเนี่ยต้องไปขอร้องเรือนจำเนี่ยขอเข้าขอเข้าไ ป, ข อ, ข, าไปขอเข้าไปบรรยายหน่อย บ้านเราเนี่เขาเขายังไม่เชื่อในอิทธิพลของศาสนาในการในการเปลี่ยนแปลงคนได้เขายังไม่เชื่อแต่ทำไมไม่เชื่อเนี่ย ก, ก, ก็นี่ไงศีกาโอปนี่แหละเปลี่ยนแปลงได้คนอย่างท่านนาบีสุลลัลลอฮอะลัยยุสัลลัมนี่ไม่มีไม่ ม, ม, มียารักษาซึมเศร้าไม่มียายาคุมประสาทไม่มียาช่วย นอนหลับไม่มีอะไรเลยสําหรับสังคมมีแต่กินเหล้าทําจีนา่าค้าขายดอกเบี้ยมีแต่ป้นคนอื่นมีแต่ชีวิตย่ำแย่หมดในเบี้ไม่มีตัวช่วยพวกตัวช่วยพวกนี้มีแต่คุร์อ่านอย่างเดียวแล้วเปลี่ยนแปลงในไม่ได้เปลี่ยนแปลงคนสองคนนะเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งหมด ถ้าเราบอกวุตตาแล้วก็แล้วก็คุตานนี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะยุค ข, ของท่านนาบีอย่างเดียวนี่นี่คือสิ่งที่ท้าทายของกุตานี่เราสามารถบอกคุอานนี่นะถ้าสมัยท่านนาบีเนี่เปลี่ยนคน 3. สองคนอ่ะสิบคนอนะ่ะถ้าสังคมสมมุติว่าสมัยนะบีทั้งหมดในประชากรสักล้านหนึ่งในค่าวสมุดอาหรับเนะี่ยสักล้านหนึ่งแล้วนบีเปลี่ยนไปสักหมื่นคนนะนะก็ยังก็ยังอย่างนั้นอย่างนั้นนะนะล้านคนเปลี่ยนไปหมื่นคนอีกกี่เปอร์เซ็นต์นึ่ปอะใช่ไหม หเป็นก็จะเอามาพิสูจน์พิสูจน์ได้ไงอะวะคุรุอ่านเนี่ยเป็นคำภีแห่งการเปลี่ยนแปลงพิสูจน์ได้ไงไม่นะ่ะเปลี่ยนแปลงส่วนมากคนในสังคมแลม้วมาชยุคของท่านนาบีพอยุคของซาบานี่ก็เปลี่ยนแปลงคนทั้งยุคหลังจากยุคซาบานี่คือเปลี่ยนแปลงประชาชาติและทุกยุคทุกสมัยนี่นะมีคำพี์เดียวที่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้ กุณอานก็ยังแสดงบทบาทในการแบ่ดแล้วทำไมทำไมจะมาเปลี่ยนแปลงคนที่มีโรคซึมเศร้าไม่ได้ทําไมจะไม่ได้แล้วนี่ว่าอัลลอฮ์บอกว่ากุณอ่านอิชิฟะคนที่มีโรคซึมเศร้าอ่ะเดี๋ยวก่อนนี้ก็ตกลงไม่ต้องเรียนใช่ไหมไม่ต้องเรียนใช่ไหมจิตแพทย์เนี่ยจิตแพทย์ไม่ต้องเรียนกันใช่ไหม ตกลงที่ผมพูดในกุรา น, นี้ช่วยได้ไหมที่เราไม่ต้องเรียนคณะจิตแพทย์เนี่ยไม่ต้องเรียนใช่ไมไม่ใช่วิชานี้ก็มีความสำคัญของมันแต่เราต้องการคนที่เรียนหลักการของจิตแพทย์ร่วมสมัยนี้แล้วสามารถเอากุรานและหลักการศาสน า, าต่างๆ มาเป็นกลไกในการประยุกต์ใช้หลักการรักษาโรคจิตต่างๆเนี่ยให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นวิชาการให้ถูกยอมรับเวืเป็นวิชาการสำหรับคนร่วมสมัยที่ไม่ใช่มุสลิมสำหรับคนที่อยากจะรักษาตัวเองด้วยกุอานไม่อยากจะไปหาหมอมันก็พอทาเนาเนี่ยพอได้ แต่จะต้องมีคนดูแลนะหมายถึงว่าถ้าเราฉันรู้ในวชนมีมัน ม, ม, มีโรคซึมเศร้าไม่อยากไห้ห้ำหันกำลังพูดโรคซึมเศร้าอันนี้อันนี้ขั้นวิกฤตซึมเศร้านี่มันกี่มัน ก, น ก, นกี่มันกี่ชั้นนะ่ะกี่มันกี่กี่ชั้นน่ะซึมเศร้า แบบว่าวิกฤตที่สุดเนี่ยซึมเศร้าที่บางคนนี่อาจจะต้องฆ่าตัวตายเนี่ยอ่นั่นนะระดับใช่ไหมประมาณนั้นะผมไม่ได้พูดถึงว่าคนที่ซึมเศร้าเช่นทีมบอลของเขานี่แพ้เขาก็เออเขาก็กูแย่มีอะไรเปล่าเพราะมไม่รู้กูแย่เลยมันแพ้มันไม่น่าจะแพ้มอรซาลานี่กูก็หวังกูคาดหวังไปมันมันตูนี่มันพลาดได้ไงอ่ะผมไม่ได้พูดถึงพวกนี้นะ ไม่ได้พูดถึงประเภทพวกนี้ไปพูดถึงประเภทที่คนนี้แบบว่าถึงจุดที่แบบว่าเออชีวิตเขาตันจริงๆด้วยเหตุอะไรเหตุผลอะไรก็ตามเพราะบางคนนี่อาจจะมีเรื่องเล็กที่เนี่ยคนอาจจะมีเรื่องบอลก็ได้หมายถึงว่าชีวิตของเขานี่ผูกพันกับบอลตรงเล่นแล้วก็ถ้าไม่เข้าทีมนี้เนี่ยก็เศร้าขาตัวตายไม่เอาแล้วต้อ ง, ต, องต้องสําเร็จสําเร็จของเขานี่ก็คือ ใชถ้าถึงขั้นวิกฤตชอบผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงก็ชอบผู้ชายคนนี้อยากให้คนนี้เนี่ยเป็นคู่ครองเป็นสามีเป็นภรรยาให้ได้แล้วถ้าไม่ได้ล่ะตัดชีวิตตัดใช่ไหมถ้าบางคนนี่ที่ไม่มีความศรัทธาไม่มีอะไรเลยเนีนะก็มงมีเขาต้องเลิกเรียก เรียกยาฆ่าหนูนี่ว่ายาเบื่อหนูเรียกว่ายาเบื่อคนดีกว่าเพราะเขาใช้กับคนมากกว่าหนูคิดสั้นเหลือเกินนะนะครับก็เอาไปยาพวกนี้เนะี่ยกินแล้วก็จบเออถึงข้นหนาที่จะไม่อยากอยู่เนีไม่ไม่่มอยากมีชีวนะิตอ่านพวกพวกนี้เนี่ยนะนะักคุยกูรอ่านเนี่ยจะจะช่วยยังไงอ่ะยิ่งจะเป็น พี่น้องต่างศาสนาอิลามเช่มุสลิมอยากอ่านช่วยอะไมันช่วยได้แต่มันต้องมีคนดูแลไงแล้วตัวเขาเองนี่ต้องยอมรับว่ากุฎอานนี่ช่วยได้แต่แต่คนนี้ไม่ยอมรับว่ากุฎอานช่วยได้ชีวิตของเขานี่ยังไม่มียังไม่มีขั้นตอนที่จะทําให้เขาเนี่ยเชื่อว่ากุฎอานนี่มันสามารถเข้าไปแล้วก็ละลายพฤติกรรมแล้วก็ช่วยเขาเนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในสภาพที่เข้มแข็งกว่านี้ถ้าเขาไม่ยอมรับในเรื่องนี้นะ่ะมันก็ยากก็เหมือนคนที่ไม่ยอมรับว่าจิตแพทย์เนี่ช่วยอะไรได้เลยไม่ยอมรับนี่เแล้วก็จะจะเริ่มต้นยังไงกันจะแก้จ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะรักษากันยังไงนี่ถ้าเราพูดถึงกรณีว่าถ้าจะรักษาด้วยกุรุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนี่นะ่าจต้องมีคนดูแลอันนี้เนี่ยเป็นไปได้ และในรายการศาสนาผมเชื่อว่าอุลามาที่พูดถึงเรื่องการขัดเกลาจิตใจเขาก็หมายถึงเรื่องนี้คนที่สภาพจิตใจของเขาย่แย่ในเรื่องดุนยานะกุฎอ่านนี่สามารถเข้าไปช่วยได้และมีงานุิจัยจของอิหม่ามเนรไกเยมที่ถือว่าเป็นงานวิจัยจสําคัญในเรื่องนี้อิมามเนรไกรเยมได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับโรคชนิดหนึ่ง โรคที่เราเรียกกันโรคซึมเศร้าแต่เจาะจงนะคนที่มีโรคซึมเศร้าเพราะอกหักพอในยุคขหย่วมันก็ยิ่นี่มีคนทนี่ส่งคำถามให้กับนุ่ยนี่ว่าคนหนึ่งอะชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วไม่ไม่สามารถที่จะแต่งงานกับเขาได้ จนเป็นวิกฤตในชีวิตให้เขานี่ <c oughs> <c oughs> ล้มป่วยเลยนอนติดเตียงเลยโอ้โหมีด้วยอ่ะมีสิครับถ้าไม่เคยริมความรักนี่อะไรนะถ้าไม่ถ้าไม่ไม่อะไรก็อย่าลบหลู่นะอะไรถ้าอะไรนะเออถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ ถ้าไม่เคยรักก็อย่าม า, อ ย, าอย่ามาดูถูกเลยคนที่เข้ารักนี่คนที่เขาหลงรักนะออกันนะเออถึงเงินล้มป่วยนอนติดเตียงมีมีจริงมีจริงมีจริงมีจริงอย่าปฏิเสธก็จริงไงมนไควมีได้รับคําถามเรื่องนี้จริงถูกถามเรื่องเนี้เราจะรักษาอไงอิห ม, ม, ม่าเป็นมอไหมูสุดยอดเลยใครอยากจะดูใครอยากจะเห็นอนะ ความสามารถคนมันควยในการพูดถึงเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องนานาชาตินะเรื่องเรื่องสากลนะ่ะเอาเรื่องหลกักการศาสนานี่มามามาโฟกัสในสุดยอดเลยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเล่มนึงหนังสือดังมากนะหนังสือนี้อัดด่าวดดวาโรคและยานี่ใช่หนังสือโรคและยาโรคในเรื่ออะไรโรคที่ใจนี่แหละและเจาะจงในโรคโรคโรคคนทีรน่รักคนอื่น มากกว่าอัลลอฮ์เพระในหนังสือนี่นะอิมัมอิมามอุมมเคมเนี่ยกำลังบอกว่าโรคที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยที่เราไม่รักอัลลอฮ์มากที่สุดนี่คือโรคร้ายแรงที่สุดที่จะทําให้เราเนี่ยล้มป่วยนอ น, นติดเตียงได้เพราะอะไรเพราะไม่รักอัลลอฮ์มากที่สุด คนที่นอนติดเตียงล้มป่วยนี่เพราะรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วไม่สามารถแต่งงานเขาได้นี่จึงเกิดซึมเศร้าแต่ยังไงมนเขาไม่ได้ตั้งชื่อโรคเหมือนที่เราตั้งในปัจจุบันไงเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่แน่นอนคนที่นอนติดเตียงวันนั้นนะ่ะตอนนั้นน่ะก็คือซึมเศร้าละซึมเศร้ า, ม, รามีชื่ไหาซึมเศร้าที่นอนเลย น, ะนอนแบบนอนวิซ้ำใหม่ ส, มสลับนี่มี มีคนป่วยนอนติดเตียงเหมือนกันบอกว่เอาหมอมาหมอก็มาหมอก็มาตรวจมาค้นหามไม่ไม่เจอนอนนอนติดเตียงเลยจนมีหมอคนหนึ่งเขาบอกว่าึงขอดูปัสสาวะของเขาหน่อยก็อเอมาดูปัสสาวะไม่รู้เขารู้ยังไงเออนะ่ะแต่เขาก็อาจจะเชี่ยวชาญน่ะนะบอกว่าคนนี้เนี่ยไม่มีไม่มีมมรคทางร่างกายหรอกครับท่าน คนนี้เนี่ยเขามีโรคแห่งความรักเขาหลงรักหลงรักเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดนะไอ้มั ม, มเครนก็เคยเล่าในหนังสือเล่มหนึ่งแล้วประกอบด้วยคนนี้นี่หลงรักนี่ดานเป็นคนนี้รักผู้ชายชายรักชายอะ่ะรักผู้ชายแล้วก็เจอไม่ได้จนซึมเศร้าซึมเศร้านอนติดเตียงเลย เขาก็อ้าวเราจะยังไงอ่ะถ้าจะให้เขาดีขึ้นนี่ยนะก็ต้องให้อีแม่คนนั้นน่ะให้มาไม้กำลังใจเขาหน่อยเชิญไม้กําลังใจเขาหน่อยไม่รู้จะเรียกยังไงก็จริงด้วยไอคนที่นอนเนี่ยถามก็ไม่ตอบพูดก็ไม่คุยพอเชิญคนนั้นมาแล้วนี่นะตื่นเล่นนั่งตือนนั่ง ตื่นเต้นเลยอ่ะมาแล้วก็พูดคุยพอมาแต่ไอคนนั้นเนี่ยเขาไม่เอาด้วยอยู่แล้วไงคนนั้นคนหนึ่งที่เขารังเขาไม่เอาด้วยอยู่แล้วเขามาเนี่ยเขาจะได้ช่วยเรื่องสุขภาพอย่างเดียวพอมาแล้วเนี่ยให้เห็นนิดนึงไรก็ไปเลยแต่เขาเนี่ยเขาเขาเขาพิสูจน์ให้เห็นไงว่าความรักนี่มันสามารถทําลายสภาพทิตใจขนาดนี้ได้เรื่องนี้ก็ไม่ได้หลงรักเชื่อเฉพาะเรื่องมนุษย์อย่างในอย่างที่บอกกันนะ เรื่องอื่นกั็ได้เคยเห็นมานักการเมืองนักการเมืองไม่ได้ไม่ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็แล้วก็อยู่กับบ้านนะไม่ออกไปไหนมีเหมือกันเป็นซึมเศร้าซึมเศร้าซึมเศร้าพอไม่ได้ฮหายหัวไปเลยพอไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีอ่ะหายหัวไปเลยไม่มีให้สัมภาษณ์ไม่มีผู้ทําไมอ่ะซึมเศร้าไงมีคนที่หลงหลงเรื่องในดุนยานี่มีเหมือนกัน มีไหมหน้าบูดหน้าบึ้งเลยเป็นอะไรพ่อแม่ไม่ยาวรื้อมือถือให้ไม่มีไม่มีม่มอะไเยกมัยนี้ยนี่ได้วิเคราะห์บอกว่าปัญหาเกือบทั้งหมดในในชีวิตของเราที่เราจะมีปัญหาปัญหาสภาพจิตใจอะนะไม่เข้มจิตใจไม่เข้มแข็งจิตใจที่อ่อนแอเนี่ย เพราะเราเนี่ยให้มีอะไรที่มีความสําคัญในหัวใจเรยมากกว่าพระเจ้าของเราสถานสําคัญกว่าอัลลอฮ์ตำแหน่งสถาบันสำคัญกว่าอัลลอฮ์บุคคลบุคคลน่าจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นที่รักของเราเป็นลูกของเราไม่เป็นใครก็ได้สำคัญกว่าอัลลอฮ์สำคัญกว่าสวรรค์สาคัญกว่าศาสนาแอมซุลไคย์บอกว่าเป็นเหตุสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยหลง ถึงขั้นที่จะต้องไปบูชาสิ่งเหล่านั้นมีนักร้องอีบคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงเป็นนักร้องดังมากนักร้องคนนี้เนี่ยไปร้องที่ไหนเนี่ยบนเวทีที่ไหนเนี่ยพอร้องเสร็จแล้วเนี่ยบางคนถึงขานาดที่ขึ้นไปสูู้ยุดขึ้นไปสูู้ยุดเลย นักร้องคนนี้เนี่ยก็เลยถูกให้ฉายาว่ามาอับูดะตุลจามาฮีรเป็นที่เคารพสักการะสำหรับประชาชนก็นั่นจะก็เห็นอะไรแบบนี้และจะไม่บอกได้ไงว่าอ๋อมันมีเนี่ยคนที่หลงรักถึงขนาที่ทาชิริกอิมามุลกยยมจริงสถาปนาชนิดชิริกชนิดหนึ่งคือกาชิรกูลมหับบา ชิริกเนี่ยชิริกดาละเรความรักแล้พวกมันมีหลักฐานสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยว่มีหนึ่น้าซิมายัดทั้งดมินดูนอีไลอันดาดันยูฮิบูเนห์มคับฮุบิลลาแมนุบังคนเนี่ยอาจจะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยรักมันมากกว่าอัลลอฮ์หรือเยี่ยงเท่ากับการรักอัลล์ وال الذين آمنوا أشد حب لله สำหรับผู้สถานั้นจะไม่มีใครเป็นที่รักของอัลลอฮ์มาสสำหรับเขานี่มากกว่าอัลลอฮ์ถ้าสำหรับคนที่จะรักษาด้วยคุรานี่นะคุรานี่จะสอนสามารถสอนเรื่องนี้ได้และคนที่จะมาคนที่จะม า, มารักษาด้วยคุรานเนี่ยก็จะเอาเรื่องนี้เขาจะดูคนคนที่มีปัญหาเรื่อ ง, องสภาพจิตใจอย่างก็จะดู ปัญหาสภาพจิตในี่มันมาจากอะไรและในกุตัานนี้ก็จะมีสิ่งที่รักษาได้แตต้องก็ต้อ ง, ง, ง, งมีคนที่เขามีความสามารถเรื่องนี้แต่เรายังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านหลกักการศาสนาด้านกุตอ้นเนี่ยที่จะมาประยุกต์ใช้กุตัานแบบนี้สมัยก่อนนี่นะมีแต่สังคมปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ยอมรับไงถ้าเราบอกว่ามีในสมัยก่อนนี่นะ่ยจิตแพทย์ที่สามารถรักษาโรคจิตทุกชนิดนะก็คืออัลมุรบี คนดีตระเบียบคนดีขัดเกลา้าและในยุคอ伊斯兰เนี่ก็ทุกยุคเลยเนี่ยทุกคนทุกแทบทุกคนนี่นะเขาจะมีมรุร บ, บีมรุร บ, บีเนี่ยไม่ได้ดูแลอะไรเลยดูแลเรื่องสภาพจิตใจอย่างเดียวมุรบีนี่ไม่ใช่ครูที่สอนศาสนานะให้มุรบีเนี่ ย, นนะบบยดูดูเรื่องจิตใจจิตใจเขาเรียบร้อยไหมเข้มแข็งไหมมีปัญหาอะไรไหมในดุ d านี่หลงดุ n y าหลงรักอะไรไหม ทำหน้าที่ในการรู้หน้าที่ด้านศาสนาเป็นคนเข้มแข็งของอัลลอฮ์ของศาสนามุร บ, บีนี่มีหน้าที่ทำก็เรื่องนี้อย่างเดียวเลยถ้าเราจะมาดูบทบาทของมุร บ, บีนี่ยิ่งกว่าบทบาทของจิตแพทย์ในปัจจุบันนะยิ่งกว่านะแต่จะช่วยได้ไงอ่ะว่าตําแหน่งของมุรบบีตอนนี้เนี่ยไม่มีใครให้ความสําคัญเราเราให้ความสําคัญกับการไปเรียน สถาบันการศึกษาที่เป็นทางการอุดมศึกษาและจะได้เรียนวิชาก็ต้องติวอาจารย์ที่จะมาติวที่จะมาสอนพิเศษนี่นะก็มีความสำคัญแต่สภาพจิตใจจิตใจไม่ไม่ดีนะไม่พบจิตแพทย์จิตแพทย์นี่ก็จะพบประเดี๋ยวประดาและบางทีเนี่ย้าธต้องต้องไปรักษากับจิตแพทย์นี่ไปเดือนละครั้งไปทุกเดือนนี่ก็จดยาไปบาย แต่มร บ, บีนี่ไม่ใช่มร บ, บีนี่อยู่เขาจะถามอ่ะมุร บ, บีเนี่ยเขาจะรู้เขาต้องเขาต้องคุกคีมร บ, บีนี่มากกว่านั้นถ้าจะเทียบแล้วอ่ะนะมุร บ, บีนี่ก็คือจิตแพทย์ที่ดูแลสภาพจิตใจมร บ, บีไม่มีหน้าที่เนี่ยอปวดหัวนะ่ยไปซื้อยาพาราไม่ใช่หน้าที่ของมร บ, บีมร บ, บีนี่ดูหน้าแล้วเนะีไปทำอะไรมาเปล่ า, าคืนนี้ไม่ได้ละหมัดเกีย่ยมมดเลยกหรือเปล่า ไอ้ส hey, ิครลลานี่อสการยามเชาวยามเย็นนีม่้ไม่ได้ีไม่ไม่ได้อ่านใช่ไหมมูรบีนี่เขาจะรู้ดูหน้าแล้วเขาจะรู้เครื่องมือของมูรบีนี่คืออะไรกุฎานกุฎานภาษาใหม่สารัตนี่จะรู้ยังไงว่าคนคนเขาเข้มแข็งเรื่องเรื่องศาสนานบีเนี่ยสอนสหายานี่ ให้เข้มแข็งให้เป็นนักสู้นี่ไปสู้ไปรบไปสงครามกันเข้มแข็งต่อสู้จนได้รับชัยชนะแทบทุกสงครามอะเพราะอะไรเพราะนบีรูน้นี่ว่ะสหายบ้านี่กลางวันนี่เนี่ยเป็นอัศวินกลางคืนนี่นะเป็นนักบวชยืนละหมาดอ่านกุฎอ่านสหาบ้านเนี่เวลาเขาจะหาเวลานั่งสนุกสนานกันหนี่มาม า, มานั่งอ่านกุฎอ่านมาเรียนรู้กุฎอ่านกันนี่คือความสนุกของเขา มันต่างกันอย่างเราต่างกับเราอย่างสิ้นเชิงคิดดูสิสังคมที่เขามองว่ากุตอานเนี่ยมันคือบันเทิงของเขาคิดดูดิกุตอานนั่นก็เหมือนที่เราเนี่ยคืออุลามาบางคนนะถ้าเราถ้าเราอ่านกุตอานถ้าเราดูกุตอานในมือถือเนี่เท่ากับเวลาที่เล่นเกมนะโอชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นคนละเรือเป็นคนละคนละโลกคนละฝั่งเลยแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น คุรานสามารถเป็นยาบําบัดโรค จ, จริงๆสิ่งแรกอันดับสุดสุเพราะในอายันี้ไม่ได้บอกว่ารักษาโรคอะไรล่ะก็ทุกยาบําบัดทุกสิ่งที่อยู่ในหัวใจอะไรที่มันสร้างความอ่อนแอในหัวใจใ น, นคุรานเนี่ยต้องรักษาได้แต่อย่างที่เคยบอกกับพี่น้องว่ายานี่นะต้องใช้ให้ถูกที่ถูกทางอืมปวดท้องกินยาพาราไม่หายปวดท้อง ปวดหัวนี่ไปใช้ยากยาแก้ปวดท้องมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่หายปวดหัวไม่หายมันต้องใช้ยาให้มันถูกที่ ถ, ถูกทาง <c oughs> เหมือนการรักษาในโรคมืดเดี๋ยวอัลลอฮุซลลอฮฺเราจะแวะนิดหนึ่งไม่แวะแล้วไม่มีเวลา <c oughs> เหมือนยาโรคมืดนะนะจะรักษาโรคมือดอย่างเงี้ยสมมติอ่ะรักษาโรคมืด ไปอ่านสูรดยูซุฟไม่เกี่ยวนอกจากว่าไม่มีคไม่เคยมีบทบทบญญัติหรือไม่มีไม่เคยมีประสบการณ์สมัยนบีละซาบะหรือซาลาดีบอกอ๋อคนที่ยินเข้านี่ไปอ่านสูรดยูซุฟใช่กูอาา่านทั้งบทนี่อ่านกูอาา่อ า, านทั้งบดนี่มีผลแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าอ๋อยินเข้านี่อ่านสูรยูซุฟนี่ยแสดงว่าไม่รู้น่าแลบักราห์ไปไหนล่ะนบีจาะจงเลยว่าเป็นการรักษาสู้กับยินเนี่ยสูกสยส้กับสยศาณนี่ก็คือสูร้รบกราห์อ้กุศีฟาติฮ สามคุณนที่อัลลอฮฺประทานลงมาเฉพาะจะได้สู้ในสนามนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันรักษาด้วยคุตัน้นจะต้องรู้ว่ากุตัานตรงไหนที่จะใช้รักษาได้สุดท้ายสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราอะนะที่เป็นโรคนี่นะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราทํามาเองมาโดยน้ํามือของตัวเองสร้างโรคมาเองบางอย่างนี่อาจจะมาจากสิ่งแวดล้อม สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราความอ่อนแอความหวาดกลัวความผิดหวังสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยบางทีเนี่ยมาจากน้ำมือของตัวเองแล้วบางทีเนี่ยเราเนี่ยหลอเลี้ยงให้มันเติบโตเช่นความกลัวความกลัวความระแวงเราเนี่ยเลี้ยงมันเองอะให้มันเติบโตกับกับเราเนี่ยจนเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่ก่อนนู้นกลัว งูอย่างเดียวนี่เห็นหนอนนิดนึงเนี่ยก็กลัวละเราเนี่ยสร้างสร้างปัญหานี้กับตัวเองแต่บางสิ่งบางอย่างนี่ก็มาจากสิง่งแวดล้อมเอา้าทั้งสองสภาพนะ่ยที่เราสร้างมาด้วยตัวเองหรือมาจากสิง่งแวดล้อมเนี่ยกุดอ่านก็รักษาได้หมดนะแต่มันมีส่วนหนึ่งที่เราสร้างมาด้วยตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยรักษาโรคบางชนิดเนี่ยที่เกิดจากน้ํามือของเราอะนะเราต้องเริ่มจากตัวเราเอง ในคุตตาเนีอัลลอฮฺก็แนะนำอยู่แล้วบะลิลอินซานวาลาหนำซีบะซีเราทุกคนเนีรู้ตัวเองอยู่แล้วคนที่มีปัญหาสภาพจิตใจของตัวเองที่มาจากตัวเองอะนะต้องมาค้นหาดูตัวเองว่าอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยอ่อนแอแบบนี้และสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงให้เรื่องนี้มันเติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยเขาต้องเลิกซะแต่สิ่งแวดล้อมนี่นะถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้ก็ต้องรักษาด้วยสิ่งแวดล้อมหลายอย่างรักษาด้วยสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้องก็ต้องดู แต่ว่าคนที่บางทีเนี่ยจิตแพทย์ในเวลาเขาจะมามาช่วยคุยกับคนที่มีปัญหาสภาพจิตใจนะบางทีเนี่ยไปไม่ถึงแล้วอะเพราะเขาแค่คุยได้แค่นี้เขาไม่สามารถไปช่วยที่ครอบครัวไปช่วยในสังคมไปไมช่วยอะไรได้ไม่เยอะแต่เขาจะพยายามให้กําลังใจเขาจะได้กลับไปสู้ด้วยตัวเองซึ่งเรื่องนี้ยากจึงจะมีความสําคัญของยาหมาในการรักษาสภาพจิตใจ เรื่องนี้เดี๋ยวยกยอดไปคุยกันอินชาอัลลอ์อาทิตย์หน้าถ้าอัลล์ให้พวกเราได้มีชีวิตต่อนะครับอินชาอัลล์ฮานะัลลอฮุมบิ a m d k i r s h a d i l n t a s a k f u r u k a t u h رَبُّ الصَّلَوَاتِ و َ ا ل ر َ ا ل ل َ ا ل ل ه